เมื่อหลายปีก่อนที่ประเทศอเมริกามีบริษัทหนึ่งนะเขาเขาเกิดไอเดียกระชูดขึ้นมาก็คือเขาคิดว่าเดี๋ยวนี้คนชอบเรืวอีความรักสุขภาพแล้วก็ชอบทำอะไรด้วยตัวเองเช่นชอบทำอาหารเองปลูกผักเองนี่อเมริกานะเขาก็เลยผลิตเครื่องทำขนมปัง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 บอกว่าผิดคานนะไม่มีคนซื้อเลยนะใครๆก็บอกว่ามันแพงไปเขาไม่รู้ทําไงเพราะลงทุนไปเยอะแล้วก็เลยไปจ้างบริษัทที่ปรึกษาเป็นบริษัทวิจัยตลาดให้มาช่วยแนะนําหน่อยว่ า, ท, าทํายังไงถึงจะขายได้บริษัทนี้ก็มีชื่อนะก็จ้างแพงด้วยเขาแนะนําว่ายังไงเขาแนะนําว่าให้ผลิตเครื่องทำองํำขนมปัง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 ขาวนี้ขายดีแล้วแต่ที่ขายดีนี่ไม่ใช่รุ่นใหม่นะรุ่นเก่านะสองรอยเจ็ดสิบห้านี่คนซื้อกันเป็นแบบเทน้ำเทท่าเลยรู้ไหมทำไมก็ถึงถึงซื้อกันแบบเทน้ำเทท่าเลยทั้งที่ตอนแรกนี้ไม่มีใครซื้อเลยเพราะว่าข่าวนี้เนี่ยคนลูกค้านี่เขารู้สึกว่าไอ้เครื่องสองร้อเจ็สิบ้านี่มันถูกมันถูก พอเขาไปเปรียบเทียบกับไอ้400นะโอ้โหเครื่องหนึง400อีกเครื่องหนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง275นี่มันถูกต้องมันถูกกับกันต้อง125ดอลลาร์คนก็เลยซื้อไอ้เครื่อง275เนี่ยนะจนกระทั่งหมดตลาดเลยนะอันนี้ก็หน้าหน้าพิศวงนะทีแรกนี่ไม่มีคนซื้อเลยเพราะว่ามันแพงคนก็รู้ว่มันแพงนะ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 ผู้ผลิตนะที่ผู้บริโภคนี่ก็หลงเชื่อไปเยอะแล้วนะเพราะว่าธรรมชาติคนเราเนี่ยนะชอบซื้อของถูกแล้วก็ของถูกของเราเนี่ยมันเกิดจากการเปรียบเทียบไอ้สองรเจ็สิบห้านี่ถ้าไปไปเปรียบเทียบกับร้อยดอลลาร์ก็แพงนะแต่พอไปเปรียบเทียบกับสี่ร้อยนี่มันกลายเป็นถูกไปเลยอันนี้เป็นจิตวิทยานะที่ใช้เพื่อ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 แต่ว่าเขาซื้อได้แปดสิบาทบอกว่าเพื่อนคนที่ซื้อร้อยหนึ่งนี่เขาบอกว่าเขาโมโหมากเขาเสียใจมากคืนนั้นนอนไม่หลับเลยนะทีแรกดีใจเพราะได้รู้สึกว่าได้ซื้อของถูกนะแต่พอเห็นเพื่อนเขาซื้อได้แปดสิบนี่เสียใจเลยคิดแบบนี้ฉลาดหรือวานะแล้วเราเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะเราซื้อได้ของถูกแต่พอพบว่าเพื่อนเขาซื้อได้ถูกกับเรานี่เรานะเป็นทุกข์เลย มีคนนึงทุกขนาะที่เรียกว่าไอ้ของที่ซื้อมานี้ไม่ใช้เลยนะไปมีเสื้อตัวหนึ่งไปซื้อที่เมืองนอกมนะเขาติดราคาพันห้าก็ไปซื้อต่อได้พันสองแต่พอพบ ว, ว่าเพื่อนนี่เขาซื้อได้พันหนึ่งนี่แกบอกว่าไอ้พันสองตัวนั้นนี่ไม่ใส่เลยนะเจ็บใจนะอันนี้โง่หรือฉลาด น, นะที่จริงคนฉลาดนี่ก็ต้องมองนะว่าเออ สี่ร้อยนี่เราซื้อมาได้ร้อยหนึ่งนี่ก็น่าจะพอใจแล้วแต่พอไปเปรียบเทียบกับคนที่ซื้อได้แปดสิบนี่ทุกเลยคนเราทุกพอเปรียบเทียบนี่บ่อยมากนะทั้งที่บางทีได้โชคแล้วแต่ว่าก็ยังทุกที่หมู่บ้านตมาเนี่ยที่วัดป่ามหาวานมีชาวบ้านคนหนึ่งมาทํางานที่วัดก็ไปซื้อหวยนะหวยใต้ดินนะนะเลขท้ายสามตัว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 พอได้ได้สิบบาทเขาคิดว่าเขาเสียเก้าสิบนะเขาไม่ได้คิดว่าเขาได้สิบจากเดิมที่เล่นฟรีๆคนเราเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราเปรียบเทียบไม่เป็นนะทุกนะ์นะ้วคนเราทุกพรเปรียบเทียบเยอะได้ได้โบนัสมาสองแสนดีใจแต่พอรู้ว่าเพื่อนได้สองแสนห้าสามสนนี่ทุกเลยและอิจฉาเพื่อนตางหาอีกนะถ้ามองไม่เป็นนี่มันทุกนะแม้จะได้โชคได้ลาบเนี่ย